เจริญพท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อนใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเจนได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำบุญให้ละาบาปให้ชลระใจให้สาหาดบริสุทธิ์เพราะมีศรัทธาความเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปจากใจมีความเชื่อว่ามีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะนำพาสัตว์โลกให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่สัตว์โลกทั้งหลายปรารถนากันก็คือการสิ้นทุก การมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏสัรโลกจะไม่มีวันรู้วิธีไม่รู้จักทานที่จะนำพาตนให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ แล้สทรงนำเอาพระธรรมที่ทรงตรัสรูมาเผยแผ่สังสอนให้แก่สาโลกก็ปรากฏมีผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเชื่อได้น้อมนำเ อ, เอาไปปฏิบัติและได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกเป็นจานวนมากอย่างไม่น่าเชื่อเลย เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีพระพุทธเจ้ามาสมตัศโรมากัะมาประกาศก็ทำคาสอนนั้นไม่มีพระอาหารหันต์มีอยู่ในโลกนี้เลยแม้แต่เพียงองคเดียวพระอราหาัรในยุคของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมานั้นก็ได้ผ่านไปหมดแล้วมีเวลาที่ว่างอยู่เป็นกับเป็นกันที่ไม่มี คำสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในโลกนี้ยังไม่มีผู้ที่จะสามารถปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลยจนมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่หลังจากพระองค์ได้ทรงศึกษาและปฏิบัติ จากครูบาจารย์ต่างๆหลายรูปด้วยกันแต่ก็ไม่มีครูบาจารย์รูปใดสามารถสรงสอนสามารถสอนให้พระองค์ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้เลยครูบาจารย์ต่างๆสอนได้เพียงขั้นสมาธิขั้นฌานสมาบัติคือทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งขณะที่ใจสงบใจนิ่ง ก็มีความสุขไม่มีความทุกข์แต่หลังจากที่ออกจากสมาธิมาพอจิตได้มารับรู้กับเรื่องราวต่างๆก็คิดปรุงแต่งไปตามอํานาจของความโลภความโกรธความหลงก็ทําให้เกิดความทุกข์ปรากฏขึ้นมาอีกไม่มีใครสามารถที่จะกําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวร พระ อ, องค์ทรงสืบสอบหาวิธีต่างๆศึกษาจากผู้อื่นก็ไม่มีใครรู้จนในที่สุดพระ อ, องค์จึงต้องศึกษาด้วยพระ อ, องค์เองทดลองด้วยวิธีการต่างๆถูกบ้างผิดบ้างจนในที่สุดก็ได้พบทางที่ถูกทางแห่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทรงได้ตัดสรรู้ เป็นพระอาหารหันต์ตัส ม, มาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาพอหลังจากที่ได้ส่งตัดสรู้แล้วก็ส่งนำเอาความรู้ที่พระองค์ได้ส่งรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่สา์โลกพอสา์โลกได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็ปรากฏเป็นพระอาหารหันตตสาวกขึ้นมาเป็นจานวนมาก ในระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการประกาศพระศาสนาคือเริ่มต้นตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8คือวันอาสาะ บ, บูชาแล้วก็มาถึงวันเพ็ญเดือนสาคือวันมาคาบบูชาก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็1น5 0รูปที่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อนพระอ า, ารามเหล่านี้ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าและได้รับการบรรพชาอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุในบรวรของพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอ า, ารามแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนทรงสั่งให้แยกกันไปคนละทิศคนละทางไม่ให้ไปด้วยกันให้แยกกันไป เพื่อที่จะได้นำเอาคำสอนที่เลิมที่ประเสริญนี้กระจายไปสู่สถานที่ต่างๆให้กว้างไกลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และพอใกล้วันเพ็ญเดือนสามคือวันพรุ่งนี้ที่เราเรียกว่าวันมาคะบูชาก็มีความปรารถนาที่อยากจะได้มากราบพระพุทธเจ้า มาแสดงความกะตันยูกะตะเวทีจึงได้เดินทางมาพบพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อนมีอย่างน้อยก็ 1,250 รูนนี่คือพระอาหารหันต์ที่ได้สำเร็จจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามคือเอาไปชำระ ใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอใจได้รับการชำระสะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นะี่แหละที่เรียกว่าพระนิพพานหรือพะอระอรหันต ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัสรู้ไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียวความสำคัญของพระพุทธเจ้าจึงเป็นความสำคัญที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระธรรมคาสอนจะไม่มีพระอริยสงสารวกที่พวกเรายึดเหนี่ยวเป็นสาระเป็นที่พึ่งจะไม่มีพระพุทธศาสนา ให้พวกเราได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติได้เข้ามาบรรลุมรกผลนิพพานกันความพระคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ลวงต่อสัตว์โลกเป็นอย่างมากถ้าพวกเรามีความสำนึกในพระคุณของพระพุทธเจ้าและอยากที่จะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้วิธีที่จะทดแทนได้อย่าง เต็มที่ก็คือการปฏิบัติบูบชาอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาจากพวกเราไม่ทรงปรารถนารางวี่รางวัลของขวัญทรัพสมบัติเงินทองต่างๆจากพวกเราแต่ปรารถนาให้พวกเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนีแหลที่จะทำให้พวกเรา ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกในสมัยพระพุทธการท่านเหล่านั้นกับพวกเราานี้ไม่มีความแตกต่างกันท่านมีจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาพวกเราก็มีจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาท่านมีศรัทธา เพื่อที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคสอนพวกเราก็มีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามท่านมีวิรยิยะความอุสาหะความภาคเพียรมีขันติความอดทนพวกเราก็สามารถมีได้สามารถสร้างวิรยิยะความขยันความภาคเพียรที่จะปฏิบัติสร้างขันติความอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่ตางๆ ที่จะมาคอยขัดขวางการปฏิบัติของเราถ้าเราสร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมารับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วพวกเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายในชาตินี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้แล้วว่า ผู้ใดก็ตามถ้าสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้อย่างช้าก็ไม่เกินเจดปีถ้ามีความขยันมากมีความฉลาดมากก็จะสามารถบรรลุได้ภายในเจดวันนี่คือสิ่งที่เราจะไม่มีโอกาส ได้พบได้เห็นได้รับทราบได้มีโอกาสตักตัวประโยชน์ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีแล้วพวกเราก็ยังจะต้องท่องเที่ยวในภพน้ายภพใหญ่เวียนว่ายตายเกิดต่อไปเองนับจำนวนไม่ท้ว่ว ภพชาติที่พวกเราได้ท่องเที่ยวมาแล้วได้เกิดได้ตายได้ทุกข์มาแล้วนี้ก็มากมายกายกองที่เราไม่สามารถนับจำนวนได้พระพุทธเจ้าทรงให้เราคำนวณด้วยวิธีการแบบง่ายๆว่าในแต่ละภพแต่ละชาติน้ำตาที่เราหลั่งออกมานั้นถ้าเราสะสมเอาไว้ ท่านบอกว่าเราจะได้น้ําตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องร้องไห้ต้องเกิดแก่เจ็บตายกี่ภพกี่ชาติกันถึงสามารถหลั่งน้ําตาให้ได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคืออดีตของพวกเราพวกเราเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างนี้มาตลอดเวลา และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวันหมดสิ้นถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและเมื่อพบกับพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีสัไม่มีศรัทธาก็จะไม่ได้รับประโยชน์ถ้ามีศรัทธาแต่ไม่มีความภาคเพียรไม่มีขันติความอดทนก็จะไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุ ได้ภายในภพนี้ชาตนี้แต่ถ้าเรามีศรัทธาเรามีความขยันความภาคเพียนเรามีความอดทนรับรองได้ว่าภายในชาตินี้พวกเราจะได้บรรลุกันอย่างแน่นอนาะมีผู้บรรลุกันมาเป็นจำนวนมากแล้วตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคาสอน จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้บรรลุ ก, กันได้อยู่เรื่อยๆนางที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่ในโลกนี้ในโลกนี้จะไม่ปราศจากพระอรหรันตะ์เพราะการปรากฏของพระอรหรนันต์นี้ก็เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตาม พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองการบรรลุนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีพระพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้หรือไม่ไม่เดี่ยวกันพระพุทธเจ้าไม่สามารถเสกไม่สามารถเป่าให้พวกเราบรรลุกันได้ถึงแม้เราจะอยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยชน์เป็นพันปีเป็นหมื่นปีแต่ถ้าเรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะสามารถบรรลุได้การบรรลุธรรมจึงไม่ได้อยู่ที่การมีพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีพระอริยสงสารู่กับเราหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าเรามีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหไม่เราต้องมีพระธรรมคำสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะเป็นคำสอนในหนังสือเช่นหนังสือในพระไตรปิฎกก็ได้หรือจะในรูปแบบของการฟังเทศฟังธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็ได้ เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องนาเอาไปปฏิบัติถ้าฟังเฉยๆแล้วไม่นาเอาไปปฏิบัติก็เหมือนกับเราดูเราสั่งอาหารมารับประทานแต่อาหารเราก็ปล่อยให้ตั้งไว้อยู่บนโต๊ะอยู่ข้างหน้าเราเราไม่ตักอาหารเข้ปาปากเราไม่รับประทานอาหาร อาหารอันโอชะที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราก็จะไม่สามารถทำให้ร่างกายเราอิ่มได้ทำให้ร่างกายหายจากความหิวได้เมื่อเราสั่งอาหารมาแล้วสิ่งที่เราต้องทาต่อไปก็คือเราต้องรับประทานอาหารการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการรับประทานอาหารให้กับใจของเรา ใจของเราก็เหมือนร่างกายที่ต้องการอาหารเช่นเดียวกันแต่อาหารของใจนี้ต่างกับอาหารของร่างกายอาหารของใจก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นการรับประทานอาหารให้กับใจนั่นเองดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือ หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเราต้องทำตามที่เรารู้คือสข้อดังที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นคือข้อที่หนึ่งทรงตัดให้ทำบุญไว้ทำบุญให้ถึงพร้อมข้อที่สองให้ละบาปข้อที่สาให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คืองานของพวกเรา พวกเราส่วนใหญ่ก็ทำบุญทางานข้อที่หนึ่งกันก็คือทำบุญเรามาทำบุญที่วันนี้เป็นประจำทุกอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระเราก็มาทำบุญด้วยการมาตักบาตรถวายจตุปัจจัยถวายสิ่งของต่างๆให้แก่พระภิกษุสามเณรให้แก่วัดวาอาราม อันนี้เรียกว่าทาบุญแต่การทาบุญของเรานี้ยังทำไม่ถึงขีนที่ควรจะทำกันเหมือนกับเรียนหนังสือถ้าสอบ ก, ก็ยังได้คะแนนไม่เต็มร้อยถ้าอยากจะได้คะแนนเต็มร้อยก็ต้องทำแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทรมาก็คือมีเท่าไหร่ก็ทำไปหมดเลย สละทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็ออกบวชอยู่แบบนักบวชไม่อาศัยสมบัติข้าวของเงินทองเป็นสารณเป็นที่พึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ ตราดไทยที่เรายังยึดติดกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นสระเป็นที่พึ่ง <c oughs> เราจะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นจากการเป็นว่า่ายเถิดได้ <c oughs> เราต้องเปลี่ยนสระเปลี่ยนที่พึ่งจากการพึ่งเงินทองมาพึ่งพระธรรมคาสอนมาพึ่งธรมมังสระนังกัจฉามิ นั่นคือวิธีแรกคือหนึ่งต้องออกต้องสละสมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็ออกบวชพอออกบวชเราก็จะได้มาทำข้อที่สองคือมารักษาศีลเราจะไม่ทำบาปด้วยประด้วยเหตุผลกลไกอันใดทั้งทั้งสิ้นถึงแม้จะโอดอยากขาดแคลนก็จะไปก็จะไม่ไปยิงนกตกปลา ไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อมารักษาชีวิตของตนให้อยู่ต่อไปยินดีที่จะตายถ้าไม่มีไม่มีอาหารให้รับประทานเพราะคำนึงถึงความจริงที่ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะมีกินมากมีกินน้อยถึงเวลาก็ต้องตายด้วยกันทุกคน ดังนั้นการทำบาปเพื่อที่จะปกป้องรักษาชีวิตนี้จึงเป็นการกระทาที่ไม่ถูกเพราะจะทำให้จิตใจนี้เพิ่มมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่ไม่น่าปรารถนาคือจะไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายดังนั้น หลังจากที่เราทำทานได้แล้วขั้นที่สองเราก็ต้องมารักษาศีลกันเบื้องต้นก็เราก็มาค่อยหัดรักษากันทีละเล็กทีละน้อยก่อนเช่นมารักษาในวันพระรักษาศีลห้ากันก่อนถ้ารักษาศีลห้าได้ในวันพระแล้วเราก็เพิ่มเป็นวันอื่นด้วยจ น, นเราสามารถรักษาได้ทุกทุกวัน เรารักษาศีลห้าได้ทุกวันแล้วท่านต่อไปเราก็มารักษาศีลแปดในวันพระเปลี่ยนจากการรักษาศีลห้ามารักษาศีลแปเพิ่มขึ้นอีกสามข้อคือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขจากการบันเทิงต่ตางๆละเว้นจากการหลับนอนบนฟูกหนาๆ แล้วก็ละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนี่คือสิ่งข้อที่8เพื่อที่จะได้ผลักดันให้เรามีกำลังที่จะไปทำปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนในข้อที่สได้ข้อที่สก็คือให้เราชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การจะชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ต้องอาศัยการภาวนา การภาวนานี้แปลว่าการทําใจให้สงบเวลาใจสงบความสกรปรกต่างๆก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวเหมือนกับตะกอนที่มีอยู่ในน้ําเวลาเราแกว่งสารส้มสิ่งสกรปรกที่มีอยู่ในน้ําก็จะรวมตัวกันละตกตะกอนแยกออกจากน้ําไปน้ําก็จะใสสะอาด ตะกรนก็จะตกลงไปในอยู่ในก้นบ่อก้นก้นตุ่มแต่วเวลาเราไปตักน้ําขึ้นมาใช้น้ํากระเพื่อมก็ทําให้ตะกรนที่อยู่ในน้ํานั้นลอยขึ้นมาผสมกับน้ําใหม่ได้อีกการทําใจให้สงบนี้ก็เป็นการตกตะกรนของเครื่องเศร้าหมองกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมอง ที่เป็นสิ่งที่ทำให้ใจไม่ให้ไม่สะอาดบอยสุดเวลาเราทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปพอใจสงบนิ่งแล้วกิเลสตัณหาก็จะสงบตัวลงไปแยกออกจากใจไปตอนนั้นใจจะมีความรู้สึกใสสะอาดบอยสุดมีความสุขมีความเบา อ, อกเบาใจ กิเลสตอนนั้นได้ถูกมังงับด้วยกำลังของสติคือการบริกรรมพุทโธแต่พอหมดกำลังต้องออกมาจากสมาธิพอออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆใจก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กิเลสที่ตกตะกอนก็จะลอยกลับขึ้นมาพอคิดถึงเรื่องนั้นก็เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงตามมา พอถึงเวลานี้เราต้องทำงานอีกขั้นหนึ่งถ้าเราอยากจะกำจัดกิเลสตัณหาที่ทำให้ใจไม่สะอาดบรสุทเราต้องตัดมันออกด้วยการใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาเวลาเกิดกิเลสตัณหาเกิดความโลภเกิดความอยากก็ให้ใช้ปัญญามาสอนใจว่าความโลภความอยากนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจไม่สบาย และสิ่งที่อยากได้ก็ไม่ทำให้มีความสุขเพราะว่าสิ่งที่ได้มานั้นจะไม่อยู่กับเราไปตลอดจะไม่เป็นเหมือนเดิมไปตลอดได้อะไรมาใหม่ๆก็ดี อ, อกดีใจแต่ไม่นานสิ่งที่ได้มาก็จะต้องเปลี่ยนไปจะต้องเสือ่อมจะต้องเสียจะต้องชารุดพอเกิดการเสียการชารุดก็เกิดความไม่สบายใจตามมา หรือถ้าเกิดการพัดพาาดจากกันก็จะเกิดความเสีย อ, อกเสียใจตามมานี่คือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ตลอดเวลาถ้าได้อะไรมาแล้วแทนที่จะดับความทุกข์กลับเพิ่มความทุกข์ในใจให้ผีเพิ่มมากขึ้นไปอีก ต้องสอนใจแบบนี้เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากได้อะไรสอนว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นความสุขที่แท้จริงมีความสุขที่แท้จริงอยู่อันเดียวเท่านั้นก็คือความสงบที่มีอยู่ในใจของเรานี้เองให้เรารักษาความสงบอันนี้ด้วยการต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากต่างๆทุกครั้งที่ปรากฏขึ้นมาถ้าเรา สอนใจอย่างนี้ใจก็จะไม่หลงก็จะยุติความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆเหมือนกับเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้เป็นยาคิษอย่างนี้เราอยากจะได้มาหรือไม่เช่นเครื่องดื่มที่เราจะดื่มนี้ถ้าเรารู้ว่าดื่มเข้าไปแล้วจะทำให้เราตายเรากล้าเดือมหรือไม่เราจะไม่กล้าดื่ม ฉันใดถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มานี้จะทำให้เราต้องเศร้าโศกเสียใจและต้องทำให้เราทุกข์ใจไม่สบายอกไม่สบายใจเราจะเอามาหรือไม่ปัญหาของพวกเราคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์กันเราเห็นอะไรเรามักจะคิดว่าเป็นความสุขกันแต่พอได้มารู้แล้วถึงจะรู้ทีหลังว่ามันเป็นความทุกข์เช่นอยู่คนเดียวก็รู้สึกเหงา คิดว่าได้คู่ได้แฟนได้คู่ครองมาอยู่แล้วจะหายเหงาจะหายทุกข์แต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเขาอีกแล้วทุกข์เพราะว่าต้องห่วงเขาต้องห่วงเขาทุกข์เพราะว่าจะต้องเสียใจถ้าเขาจากเราไปหรือทุกข์เพราะว่าเขาเปลี่ยนไปจากคนที่เคยรักเรากลับมาไม่ชอบเราไม่รักเราตอนนั้นเราก็จะเห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นมาในใจของเรา ถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้แต่เราไม่คิดกันเวลาเกิดความอยากได้อะไรจะเห็นเพียงด้านเดียวเห็นด้านของความสุขจะไม่เห็นด้านของความทุกข์กันแต่ถ้าเรามีสมาธิมีใจที่สงบแล้วพอเราสอนใจว่าไม่มีอะไรดีกว่าความสงบที่เรามีอยู่ในขณะนี้ แล้วคิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือให้คิดถึงความไม่เที่ยงให้คิดถึงการเปลี่ยนแปลงว่าไม่มีอะไรคงเส้นคงวาเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างพอได้มาแล้วมันจะเสื่อมลงไปมันจะเปลี่ยนไปจากมาจากใหม่ก็จะกลายเป็นของเก่าไปจากของเก่าก็จะกลายเป็นของเสียของตายไปในที่สุดให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่อยากได้อะไร วิธีนี้เป็นวิธีตักตะ ก, กรอนออกจากน้ำเวลาน้ำเวลาเราแกงสารส้มแล้วพอมีตะ ก, กรอนตกลงไปแล้วเราก็แยกมันด้วยการตักน้ำที่สะอาดออกไว้อีกตุ้นึงแล้วก็ปล่อยให้ตะ ก, กรอนเหลืออยู่ในตุ้ชั้นใดการเจริญวิปัสสนาก็คือการใช้ปัญญาให้เห็นโทษของกิเลส ต, ตัณหา ให้เห็นโทษของสิ่งต่างๆที่กิเลสตังหาอยากได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดไม่ไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราคิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์อย่างถาวร ยัไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีสิ่งที่ผลักดันให้ไปเกิดใหม่ความอยากนี่แหละเป็นเชื้อของภพชาติเป็นผู้ผลักดันให้ใจของเราต้องไปหาภพหาชาติใหม่เพราะเมื่อมีความอยากเราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้พอเราอยากได้อะไรเราก็ต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้ ที่เราอยากจะดื่มเครื่องดืง่มเราก็ต้องไปเปิดตู้เย็นหาดื่มเราอยากจะรับประทานเราก็ต้องไปเปิดตู้กับข้าวหาสิ่งที่เราต้องการรับประทานเราอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ต้องออกจากบ้านเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เวลาอยู่บ้านเฉยๆจะมีความรู้สึกว่าเว้าเศร้าส้อยอหงอยเหงาหงุดหงิดลําคานใจ เราจึงต้องไประบายด้วยการออกไปทำตามความอยากแต่ทำเท่าไหร่ความอยากก็ไม่หายไปความทุกข์ก็ไม่หายไปกลับมาอยู่ที่บ้านก็จะเจอความทุกข์เหมือนเดิมแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราจะไม่ต้องออกไปนอกบ้านอีกต่อไปอยู่บ้านก็อยู่อย่างมีความสุขฉันใดใจที่มีไม่มีความอยากแล้วก็เหมือนได้ถึงบ้านแล้ว บ้านของพวกเราก็คือพระนิพพานนี้เองบ้านที่มีแต่ความอิ่มความพอตลอดเวลาบ้านของพระพระเจ้าบ้านของพระอาลัยทั้งหลายบ้านของเราที่พวกเรากำลังสร้างอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการทาบุญละบาป ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิริ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหยุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็ญกันในวันนี้